เทวะริวหาปลาปริปุริติสาครางเอวเมวอิโตทินังเตตานังอุปการปฏิอิจิตังปจิตังตุมหังจิปเมวสเมจตุสพเพปุรนตุสังกปะจันโทพนรโสยะถามิจตระโสยะถามนจนตุสพรโค เตภาวัตอรโยสุขีทีไคโยโกภาวอภิวานลิตรานิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตาร อายวอนโอสุขังอาลังบาวตุสับภะมังฮาลังราคานตุสับสำภะพุทธานุภาเวนสัทธาสุทธิภาวันตุเต พมังหลังลาคันตุสาะพพเทวตาสามานุภาเวน ส, สัทธาโสติภวันตุเตหลังลาคันตุสาะพพเทวตาสาภธ พ, พ นอาเวนัสธาโสทีอาวันโตเต